ขีหิวิกตะอนุชา น, นะว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องใช้อย่างคฤหัตสมัยนั้นคนทั้งหลายตกแต่งที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ ไว้ที่โรงอาหารในละแวกบ้านคือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด 2. เตียงมีเท้าเป็นรูปสั์ ร, ร้าย 3. พรมขนสัตว์ 4. เครื่องลาดขนแกะลายวิจิตรเครื่องลาดขนแกะมีสีขาว 6. เครื่องลาดมีรูปดอกไม้เจ็ดเครื่องลาดยัดนุ่นแปดเครื่องลาดขนแกะวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นราชสีและเสือเก้ 9. เครื่องลาดขนแกะมีขนสองด้าน 10. เครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียว11เครื่องลาด ปักด้วยไหมประดับรัตนะสิเครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะสิเครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน16คนร่ายรำสิบเครื่องลาดบนหลังช้าง 15. เครื่องลาดบนหลังม้า 16. เครื่องลาดในรถ สิเครื่องลาดทําด้วยหนังเสือ18เครื่องราดหนังชมด19เครื่องลาดมีเพดานยีสเครื่องราดมีหมอนสองข้างภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมนั่งภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องใช้อย่างครหัสยกเว้นเครื่องลาดสามชนิดคือม้านั่งสี่เหลี่ยมเตียงใหญ่เครื่องลาดยัดนุ่นนอกนั้นนั่งได้แต่ไม่อนุญาตให้นอน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 เราอนุญาตให้นั่งบนเครื่องใช้อย่างคฤหัสได้แต่ไม่อนุญาตให้นอน